S <S <an> หลังทำกันแนละ้วอาศัยการได้ยินได้ฟังอาจารย์ภาษาพูดบ้างอาจารสงเสียพูดบ้างจารโน้จารตุ่มจันย์วัดชัยหลายหลายรูปช่วยกันลู่สองนอกลู่หนึ่ง เพื่อให้เป็นส่วนประกอบ ก, บการปฏิบัติธรรมอาศัยการได้ยินได้ฟังตรงตานี่ก็ไม่ค่อยจะมีเสียงนะการฟังธรรมก็คือฟังฟังเรื่องของตัวเราเนี่เละเรื่องของตัวเรานี่ก็มีกายมีใจ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็มีมากถ้าจะจถ้าจะทำให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้ น, นกับกายกับใจก็ต้องมีสติก็จะได้เห็นมันคืออะไรความเท็นความจริงเป็นเช่นไรชีวิตของเราแล่นไปไกลแล้วไปถึงความพอใจความไม่พอใจ เป็นรถของโลกไปแล้วไม่ใช่รถของธรรมรถของธรรมคคยมีสติเห็นรู้สึกตัวก่วอนเวลาที่เกิดขึ้นกับกามกับใจปฏิบัติตามเคเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวาการเบ็นโฉกเป็นทุกข์มันหลงก็ให้เห็นมันหลงอย่าเป็นผู้หลง แต่ก่อนนั่นความหลงเป็นความหลงความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขความโกรธเป็นความโกรธความลับเป็นความลักความชังเป็นความชั่งความชังร้อนคือร้อนหนาวคือหนาวหิวคือเป็นผู้หิวเจ็บคือเป็นผู้เจ็บทุกข์ก็คือเป็นผู้ทุกข์สุขเป็นผู้สุขมันเป็นไปไปนั่นแล er ้วมันหลงลืม จึงมาหัดตนสอนตนใน้รู้จักตัวนั่นเป็นลูปของโลกรารลดของโลกแบบนั้นถ้าหลงเป็นหลงไปสู่ความแก่ความเปียกความตายต่าทุกเป็นทุกไปสู่ความแก่ความเปียบความตายการฝึกตนสอนตนมาช่วชีวิตเราจะไปแบบนั้นปฏิธรรมปฏิบัติตามธรรม หลงเป็นลู่อะไรเป็นลู่รู้จึกตัวหมดก็ไปสู่มรรคสู่ผลเหนือกลางเกิเจ็บเจบตายต้องสอนตนตัวใครตัวมันปึกให้เป็นสอนให้เป็ทำให้เป็นจะมาใชนนิจานานสิ่งไหนที่เกิดกับปากกับเจลู้ทั้งหมดพเพราะหลอมมาสร้างตัวเป็นเจ้าเรือน เกี่ยววิชากรรมฐานตามที่พระเจ้าได้ปฏิบัติมาทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะทำแบบนี้มีสติไปในกายอยู่เป็นประจำในวันเพ็ดนหกนั้นก่อนตัดชลูกพระองค์ทอยางไรแล้วก็มีสตดอยู่ นั่งกูแขนเข้ารู้สึกตัวเหยียบแขนออกรู้สึกตัวอูเแินเข้ารู้สึกตัวหรือว่ามีสติไปในกายถ้ามันเคยกินอะไที่มันเกิดขึ้นมาให้รู้สึกตัวมาลู่ตรงนี้มาลู่ที่กรรมคือการทําที่นี่มาลู่ที่ฐานเื็นตั้งไว้ที่นี่แล้ว เล่นไปถึงพิมพาคิดถึงพิมพาก็กลับมารู้สึกตัวซะความคิดถึงเมียเป็นความรู้สึกตัวเล่นไปถึงหลอหุนก็กลับมารู้สึกตัวซะความคิดถึงลูกถึงเมียกลับมาเป็นความรู้สึกตัวไดความรู้สึกตัวก็เหมือนคิดได้ความรู้สึกตัวก็เหมือนเคลื่อนไหว มีหลักจย่างนี้หลือวาที่ตั้งของการกระทาหรือว่ากรรมฐานขยันรู้เอาไว้หรือว่าภาวนาการขยนันรู้หรือว่าภาวนาทำให้เหมือนมากพิชากรรมฐานตามรูปแบบวยหลงเพ่อเทียนสอนเพียงพอแล้วชิบชีจังหวะ แต่ละจังหวะเพื่อนไหวทุกทุกวินาทีทุกวินาทีรู้ทีหนึ่งสิบสี่รู้สิบสี่วินาทีใจใจตรงนี้ให้รู้ให้รู้เลยเกิดขึ้นมากับกล้าเกิดใจเปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมดนี่มันจะไปไหน มันอาจจะเป็นข้าสูดท้ายได้ขวัญหลงอะไรที่เกิดกับกายัจะเป็นรูปเป็นรูปหรือว่าปฏิบัติธรรมมันก็จะได้หลอกได้ถอนเราเห็นสิ่งเดียวบ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวบ่อยๆเห็นใจที่มันคิดบ่อยๆความคิดจังห า, านของจิตคือมันคิด มันก็เคลื่อนไหวมันกระดูกายก็รู้โดยความรู้จากมันคิดไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ใช่ไปหยุดมันถ้ามันมีอะไรออกมาให้เราได้เห็นมันรอสอนหัวสอนขวัยสอนช่างสอนมาไม่ใช่จำมามัดไม่เห็นกระดูกกระดิกเราจะมา ใส่ใช่งานมันอะไรมันผิดก็สอนเหมือนตรงนั้นมันก็ลูจ้จักเกรนัดขีม้ามีสายบังเหียนมีขาอาจจะไม่ตรงพูดชักสายบังเหียนขีบขาให้มันเดินทีบชักสายบังเหียนขีบขาให้มันวิ่งเนีย แล้วก็หยุดให้มปเป็นบอกให้วิ่งให้เป็นท้อมสาอย่างนี้หรือว่าให้มันวิ่งมันก็รูก้กลัวผัวกล้วยก็หวั่นการใส่ข้าใส่ถ่ายเทียมโล่เทียมเกลียนมันไปทางใช้ให้มันไปทา ง, าทางขวาัวถ้ามันไปตรงก็บอกมันไปตรงตรงมันก็รู้ถ้ามันไม่ผิดมันก็ไม่มีถูก มันถูกเพราะมันมีผิดชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมันหลงโดยความรู้ถ้าไม่หลงมันก็ไม่ได้ความรู้ถ้ามันไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้ความถูกเรความรู้เป็นเจกณชีวัดสุดแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวที่เกิดกับสิ่งที่เกิดกับมาเกิดกานี่ถ้าถึงความรู้สึกตัวถือว่าจบ มันก็เห็นแล้วนี่คือความรู้จักตัวรู้แล้วมันก็ตาก่างกันกับความรู้อยู่ความหลงความทุกข์ก็ต่างกับความรู้จักตัวความโกรก็ต่างกับความรู้จักตัวเราจะได้ชอมผัดเมื่อเราได้สัมผัดเราก็ตอบไปเองเลือกเป็นเองอะไรผิดอะไรถูกเลือกเป็น สนุกเลือกเห็นของเท็จของจริงที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่ไม่ต้องมีคำถามใครเราจะทาไม่มีคำถามมิแต่คำตอบเวงต้องตอบออเองคนอื่นตอบให้ไม่ได้รวมหลงกับความรู้ความทุก ข, ข, ข์ความรู้ความขุ่นความรู้อะไรต่าง เมื่จำนี้ำนานก็เป็นศาตร์เป็นฉินขึ้นมาแต่ก่อนเพิกใหม่ก็ต้องง่ายที่จะหลงเึกไปเพิก ไ, ไปก็ง่ายที่จะรู้ได้มันเป็นถ้าไม่มันเป็นไม่ใช่มันรู้ไม่ใช่สอนให้รู้ก่อนสอนให้เป็นเนี่ยไม่มีมหาวิเลยไหในในส่สอนก่อนให้ตัวตัวเองสอนให้ตัวเราเองเป็นทำเป็น หาเวลาสอนให้เรารู้ควมรู้ยังใช้ไปได้บางทีบางโอกาสบางสิ่งบางอย่างเรื่องความหลงมันไม่ดีควมทุกข์มันไม่ดีใครก็รู้ควมหัวใจไม่พอใจใครก็รู้ควมโกรธมันไม่ดีใครก็รู้ว่ามันไม่ดีก็ยังโกรธกันอยู่ รวมทุกข์รู้วไม่ดีก็ยังทุกข์กันอยู่พตัวนั้นไม่ใช่ความรู้มันทําให้เห็นมันเห็นมันไม่เป็นมันเป็นการสัมผัสความหลงเป็นสมมุติผลยัดความรู้สึกตัวเป็นปรมัตสัจจะมันเทศมันจริงกัวเการให้เราได้ฝึกใน้าัดให้เหมือ น, นํานี้จำนาน เได้หลักได้ฐานเห็นกายอยู่บ่อยๆอันเคลื่อนไหวอยู่นี่มันคืออะไรคิดเปนโน้มมัคืออะไรมันรู้จักอะไรได้มันเป็นรูปเป็นนามแต่ก่อนก็เรียกว่าสุกรแต่ก่อนก็เรียกว่าทุกสิ่งที่เกิดกับกากับใจเป็นตัวเป็นตนเอาความคิดมาเป็นสุกร์เอาความคิดมันเป็นทุก อาการที่เกิดกับกายกับใจมันเป็นสุขว่าเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นมันเป็นอาการเห็นเป็นรูปเป็นน้ำเป็นอาการเป็นธรรมชาติของเขาเป็นความร้อนความหนาวมันเป็นอาการที่เกิดกับกายความหิวความปวดความเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอาการที่เกิดกับรูป ไม่ใช่ตัวเราหรือว่าอย่างเช่นความหิวเป็นอาการที่เกิดกับรูปไม่ใช่เอามาเป็นสุกไม่มาเป็นทุกข์ความหิวเป็นอาการเกิดกับรู ป, าา ป, ป, ป, าารปถ้ามันไม่หิวมันก็ไม่ใช่รูปมันมีรูปมีนามไม่เหมือนท่อนไว้ท่อนปืน แล้วองผลททำให้หนาวแสงแดวทำให้ร้อนมันเป็นรูปเป็นนา ม, มนรู้สึกอะไรได้ที่ ว, ว่าปัญญาทาตุจะรู้อะไรได้เราก็เห็นตามความเท็จความจริงบาทีถ้าวั้รูกก็เป็นไปตามอมันต่างๆเป็นชุกเป็นทุกข์ได้ บางทีเป็นสุขเพราะความคิดเป็นทุกข์เพราะความคิดเอาความคิดมาเป็นสุขเอาความคิดมาเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความคิดคิดขึ้นมาก็พอใจคิดมาไม่พอใจสิ่งที่เป็นสุขก็เป็นทุกข์ได้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขบางคน บางทีก็เกิดความโกรธความโลภความหลงเกิดเลีตัณหาหลาคะเพราะความคิดมันปรุงมันแต่งแบบ น, นี้มาลู่จากตัวจ้ะมันก็การควบคุมเนิดของการปรุงแต่งมันแล่นไปแล่นไปไกลมาเปลี่ยนเปเปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมดปฏิบัติรามแล้วก็ มันก็มันก็จบได้สําเร็จได้เราทํากรรมฐานก็ไม่ความสําเร็จเหมือนกับทางานมันจบเป็นมันแล้วเป็นตอนนี้ก็รู้แล้วอันนั้นก็รู้แล้วมันของเก่าความสุขก็คืออันเก่าความทุกข์ก็อันเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ความโกรธความรู้ความหลงก็เรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ ใครๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกตัวมันก็จบถ้าไม่รู้สึกก็ไปอยู่จนนั่นหลงจนตายทุกจนตายโกรธจนตายเราจึงจาเป็นต้องฝึกมันมีให้เราได้ฝึกมันกายไปแล้วชีวิตของเราจิตเดิมเดิมแท้มันไม่เป็นอะไรปกติอยู่ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมานะไม่ใช่ปกติเป็นอาการเกิดกับกายเป็นอาการเกิดกับจิตใจเป็นความทุกข์บางอย่างก็เกี่ยวกับความทุกข์ให้เป็นเป็นรูเปเพีนพานามเกี่ยวกับรูป ก, ก, ก, กับกานามให้เป็นรูปทุกข์นามทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์ที่เกิดกับรูปกับนามให้เป็นทุกข์ที่เกิดกับรูป อีมากสภาวะทุกข์ทุกตามันแบบธรรมชาติต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกต้องเคลื่อน้ำไหลต้องเคลื่อนไหวต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนนี่เป็นสภาวะทุกข์เป็นธรรมชาติของลูกส่วนทุกข์ที่เกิดกับนาำคืออาการป่งแต่งนั้น ต้องละการทุกข์ที่เกิดกับรูกต้องบรรเทาบางทีกำหนดลูกด้วยการลูกเฉยๆบางอย่างก็บรรเทาเป็นความหิวก็ต้องบรรเทาเป็นถ่ายก็ต้องบรรเทาตามสภาวะทุกข์ของธรรมชาติของลูพรม่เชื่อมาเป็นทุกข์อิ่มก็ไม่เป็นทุกข์อิ่มก็ไม่เป็นสุขหิวก็ไม่เป็นทุกข์ เพราะมันรู้รู้จักตามความเป็นจริงทุกที่เกิดจากการพ่งแตงเกิดจากสังขารพรงแตงเช่นความโกรธนี่ไม่ต้องมันเท่าหยุดทันทีหยุดได้ทันทีทุกที่เกิดกับรูปนามรู้จักเกี่ยวข้อง เดียนรู้ได้เห็นได้ตามความเท็ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปดวงดาวบางทีเราไม่รู้เอาความทุกข์่าเป็นตัวเป็นตนเอาความสุขมาเป็นตัวเป็นตนเอาความโกรธมาเป็นตัวเป็นตนเอาความเล่าความเจ็บชงว่าเป็นตัวเป็นตนเจ็บเปียกความโกรธเจ็บเปียบความทุกข์ เราจึงมามีสติสติมันต่อยอดได้จากความไม่ดีเป็นดีได้หลงเป็นสติเป็นรู้สึกตัวมันได้ยอดใหม่ความทุกข์เป็นความรู้มันได้ยอดใหม่มปปมม อ, หมอะไรยี่มันเกิดกับกาคักใจนี้มันเกิดอกุศลและธรรมมันเตลียนเป็นกุศลได้ มระยอดใหม่ได้ชีวิตใหม่มาให้เราได้สูงขึ้นรวมทุกตัแเทศทำใเราไม่ทุกเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกค้นจากความทุกรวมหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงค้นจากความหลงรวมโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธค้นจากความโกรธ ได้ประโยชน์ในทุกตัวแท้ทุกตัวแ ท, ท, แท้ทำไมเป็นพระพุทธเจ้าได้ร่ำไปเห็นทุกพระพุทพธเจ้าไม่มีน่าจะขอบคุณเมืองความทุกนเนี่ยถ้าเรามีสติจะได้เห็นนั่นถ้าเห็นน่ะมันมยิ้มยิ้มเห็นทุ ก, กมันยิ้มยิ้มมันสดชื่นไม่ใช่ทุกทำไมเศร้าหมอ งัน้นจาการเจ็บป่วยอาการที้เกิดขึ้นกับลูกมันเจ็บมันปวดเห็นเหมือนเจ็บไม่เป็นผู้เก็บเห็นเหมือนเก็บลองดูสิเมื่อดีเป็นผู้เก็บก็หิวเข้าเป็นผู้หิวหรือเห็นเหมันหิวรำผัดดู เห็นมันหิวหรือเป็นผู้หิวถ้าเป็นแล้วมันหนักถ้าเห็นลมันเบาๆฝึกให้เป็นมีจิติให้เห็นตามกวาเป็นจริงถ้าเป็นผู้หิวหรอทุกข์งดตัวไม่รู้จักไม่รู้จักแก้ไขถ้าเห็นมันหิว ไม่ได้เป็นผู้หิวหนิควากลวความหิวมันเป็นความสดชื่นอันหนึ่งถ้าหิวเข้าเนี่ยถ้ามันไม่หิวมันจะตายถ้ามันหิวอยู่ก็ได้ว่าสุขภาพยังดีอะไรเกิดกับกายกับใจให้เป็นภาวะที่เห็นเป็นว่าที่ดูพูดแบบเป็นสูตร ว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเนี่ยเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่ไม่ดูอย่าไปอยู่มันสุขก็ดูมันอย่าไปอยู่กับความสุขมันทุกข์ก็อย่าไปอยู่กับความทุกข์ดูมันเห็นมันเราจะได้เอาไปใช้ถ้าเราไม่ฝึกมีสติมันก็ไม่มีอะไรใช้ เราจึงมีสติฝึกไว้ให้มันมีเพื่อได้ใช้เราจะถ้าเราไม่มีสติเราก็จนหลงเป็นหลงหรือว่นคนจนทุกข์เป็นทุกข์บ่คนจนโกรธเป็นโกรธด้วยจนจนต่ อ, อธรรมมั่ที่ก็เป็นตัวเป็นตนทุกที ถ้าหลงเป็นรูหรือว่ามีสติปัญญามันก็ไม่ชอบใช้ายสะดวกเราจึงต้องฝึกเอาไว้เพื่อใดใช่ถ้ามันชำนิชำนานมันจะเป็นศาสตร์เป็นฉินขึ้นมาเรียกว่ายานปัญญาไม่ต้องเรียกว่าสติก็ได้ถ้ามันชำนานเรา ป, ปัญญาปัญญาญาณยังรู้เมื่อมาเกิดเป็นญานเราไม่ต้องไม่ใช่มาหัดสู้แล้วรู้แล้วเหมือ น, นเราเรียนหนังสือที่แนแล้วก็ดูก็ไก่เขาขายยู่กรบดอนตอนดูไปก็จำได้เอาอยู่ใน ยานเขาเลายถ้าเขียนก็ไก่ก็ลูกอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องไปหัดฝึกกรรมฐ า, านนี่ก็ถ้ามันเป็นลราไม่ต้องหัดมันเป็นทำให้มันเป็ น, ม, ม, น, ปนมันมีมันลูคกกวามความเพรียบความจริงไมาใช่ว่าจะเร่นวิชากรรมฐ า, านเนี่ย ยุบหนอพองหนอไม่ใช่ว่าตลอดไปพุทธโธหายใจเข้าว่าพุทธเจ้าว่าโธก็ไม่ใช่บริกรรมตลอดไปโดยสมมาละหังสมมาละหังก็ไม่ใช่บริกรรมตลอดไปตัวการเบื้องต้นวิธีเดินยังคงว่าใช้ย่างหน ω, อโคย่างหนอยุบหนอพองหนอก็ไม่ใช่ว่าตลอดไป บันเปการเพิกเบื้องต้นถ้ามันเป็นญาณเกิขึ้นแล้วมันก็หมดการบริกรรมมันก็หมดคำว่าลู่มันเป็นบันเป็นทังกิดจริงๆแล้วมันเป็นการบันเป็นทังกิดพระพุทธเจ้าตัดจัลลู่ทางังกิดไม่เชยมาตัดจัลลู่ทางร่างกายแปลว่าอากายเพื่อเป็นฐานเบื้องต้น เพอให้ประชามนิชํานาญในการบำเพ็ญดังกิจมีฐานที่ตั้งก็เหมือนกับมีชัยภูมิที่ดีเพื่อจะลบข้อศึกษติไม่อยู่ในกายเหมือนชัยภูมิเหมือนสมองและภูมิอเลยเกิดขึ้นก็รู้เหมือนกับกําลังคนก็ศึกษาความหลง ตัวใหญ่มันก็ตรงกันข้ามมีความรู้มีความหลงตรงกันพอดีถ้าหลงไปจึงโกรธถ้าหลงเพราะหลงไปจึงทุกข์มันพอดีมันตรงกันข้ามเหมือนกับข้าศึกมีความรู้รู้ศึกตัวซะกำลังคน น, น้อยก็ปราบค่าศึกได้มาก สิ่งที่มันตรงกันข้ามเป็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งสู้ได้ง่ายจนมากจะตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดเกิดกายกับใจเรานี้ไม่สิ่งตรงกันข้ามทุกอย่างเรื่องความหลงก็คือไม่หลงความทุกข์คือไม่ทุกข์ความเจ็คือไม่เจ็บความเจ็บคือไม่เจ็บความตายคือไม่ตายไปนูน่นมันตรงกันข้ามไม่ยาก หนอัึ่งก็เห็นอันหนึ่งถ้ามีสติมีสติจะเป็นกลางไม่กลัวเป็นกลางเห็นไม่เป็นเนี่เป็นกลางเห็นสุขก็ต้องเห็นไม่มันเห็นมันสุขก็ไม่เป็นผู้สุขเห็นสุขกับทุกข์ก็เป็นคู่ก่อน ถ้าเห็นฉุกไม่เป็นผู้ฉุกไม่เป็นกลางมันไม่มันไม่ตรงกันข้ามมันเป็นกลางไปแล้วก่านไปแล้วแต่มีฉุกก็ยังมีทุกข์อยู่มีโกรธก็ยังมีมีหลงก็ยังไม่รู้อยู่นี่ก็มีสติจะเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงจะเป็นกลางสิ่งที่มันตรงกันข้ามดูดีๆถ้ามีสติเป็นกลาง เป็นองค์มรดดูเนี่ยเป็นมรด์เพราะว่าที่ดูเนี่ยเป็นองค์มรด์เพาะว่าดูมาไม่ใช่ตาเนื้อดูเป็นตาภายในเห็นอะไรเกิดเกิดกายกับใจก็เห็นเนี่เป็นกลางไม่เห็นก็ไม่เป็นเป็นผล หลงเป็นรูปหลงเป็นเหตุรูปเป็นผลทุกเป็นเหตุรูปเป็นผลไปแบบนั้นถ้ามีสติปัฏฐานเป็นสติที่เป็นเป็นสติปัญญาล้วงเกิดความปกติเลยก็เป็นรูปเป็นรูปไม่ได้ปรุงประจูปว่าความปกติเป็นฉินเป็นสมาธิเป็นปัญญา แล้วควมรู้สึกตัวนี่มันก็ล้วควาชั่วมีความรู้สึกตัวมันก็ทำความดีมีความรู้สึกตั ว, ว, ว, ตวจิตก็บริสุทธิ์แล้วควาชั่วเป็นสินแล้วทำความดีเป็นสมาธิจิตบริสุทธิ์เป็นปัญญานี่จะดอย่างเดียวมาเป็นพวง ศินจิกขาขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีสติใจจิกขาไม่เกิดตอนเรามีสติอยู่นี่ก็คือรักษาฉินแล้วทำบุญแล้วทำดีแล้วแล้วความชั่วแล้วเจนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยสมทานฉินไม่ขอฉินสักคายเป็นไปเองก็มมีสติก็ถือว่า แล้วความชั่วทั้งกรมดีอยู่จิตก็กำลังบริสุทธิ์อยู่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นใจจิกหาเมื่อมีใจจิตาก็อยู่ในองค์มรรคไม่ต้องไปท่องสามาทิติสามากสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมม๊าชีวะมันเป็นไปเองอยู่ในองค์มรรคแล้ว เป็นมรรคขึ้นมาเป็นผลขึ้นมาอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็ยนทุกเป็นรู้อะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นรู้เป็นรู้โดยความรู้จะความไม่ได้ความรู้จกความผิดความถูกทุกอย่างที่มันเกิดกับกากับใจเนี่ยเป็นความรู้ทั้งหมดถ้าพูดแบบสรุปสรุก็คือว่า อะไรที่มันเกิดกับรูปกลุก่มน้ำกับปลากับใจเนี่เปลี่ยนมาเป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยให้เราทำแบบนี้ไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลเอาการกระทำไม่กรรมาฐานบุกเบิกไปไม่ต้องเอาเหตุเอาผลมาปบหมือคิดใช้สมองเราต้องใช้สมอง ใช่การกระทคือการกระทำแล้วก็มีกายอยู่นี่มีสติไปในกายกายก็มีสติก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราชอบไม่ชอบไม่ใช่แบบนั้นเราการกระทำลงไปมือผู้แขนเข้ารู้สึกเยเห็น อ, อกรู้สึก อะไรที่มัเกิดกับกายรู้สึกตัวอะไรที่มัเกิดกับกจิตใจรู้สึกตัวซะตบอที่ยากก็ง่ายขึ้นเขาที่หนักก็เบาลงจึงมาฝึกตัวไข่ตัวมันหลงเองลู้เองมันมีอยู่ในเราอันนั้นแล้วเป็นสูตรอยู่ในตัวเราดันแล้ว ในความหลงก็มีความรู้เปลี่ยนในทุกอย่างสตินี้เป็นกุญแจด อ, อกอีกเปิดออกได้ทุกอย่างเปลี่ยนมาเป็นเขารู้ได้ทุกอย่างนีม่มีความสงสัยหลายเกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดกับตัวเราขึ้นมาเราก็มีมิตรเพื่อนอยู่เหมือนกันหมด สิงที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขาไม่ทุกข์สิงที่เราโกรธคนอื่นก็ไม่โกรธสิงที่เราพอใจคนอื่นเขาไม่พอใจเราผ่านไปแล้วนี่อยู่ในโลกจิตวิาเป็นสุกคนอื่นเขไม่สุขแล้วปฏิสุคนเหนือสุขเหนือทุกข์เพราะมันเห็น ตามความเป็นจริงวนจริงพยายามช่วยตัวเองคือตนสอนตนไปจะไปเชื่อใครใครเชื่อการกระทําของเรานี่เวลามันหลงเราลู่เวลามันหลงเราลู่เวลามันทุกข์เราลู่ใครทำอย่างนี้เชื่อตรงนี้นันได้ความรู้ปรความหลงแท้ มันได้ความผิดเพผมมันได้ความผิดมันได้ความถูกความผิดแ้ๆใจเชื่อรูปไม่เชื่อการกระทำของตอนเองไม่ใช่ไปเชื่อใครศรัทธาความการกระทำของเราเนี่ผิดถูกเราตอบไปเองสุขทุกข์เราตอบไปเองนี่ ว, ว่ากรรมฐานเร่อย พูดมเนกาออกนะเสียงก็มาค่อยจะมีขอให้อาจาราจานี่จารนักษ น, นี่ฉจารยน้แสดงแทนกันขออาศัยเพื่อนมิตรเวลานี่นะมะเขาสมควรใจเวลา